ขอขครับคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่ออสมุนปู่เทียนจิตตะตุกตุกเก่าหลวงพ่อกับเทียนก็คุณว่าอาจารย์ที่อยู่นี่ทุกๆลูกตลอดตั้งหลวงพ่อหลวงพี่พระเทระหนุเทระเถระนุเถระมาเสนอว่าบ๊วถือได้จะเรียนพรไม่ชี อุบาสบอุบาสิกาทุกท่านต่างนั่ ง, งตามสบายวันนี้ก็ถะให้พูดก็จะพูดไปฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟัง <c oughs> ฟังไปตามยถากรรมนะนั่นเหลเนาะคิดเึงอนไก็ฟังก็ฟังไป จากแล้วห้าได้เ็ลยด้วยในใจดังมานานตั้งเท่าเท่าอัจฉริตั้งดีๆตั้งใจดีๆเรามาเอาเราเกิดมาเนี่ยมาเนี่ยตีที่สุดเลยหาคนยากที่มาจะมาแบบที่เรามาเนี่ยเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้จักของดีอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยแหละ เห็นนร ก, ก, กเป็นสวรรค์เห็นกงเกดเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นถูกเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนี้ดีสิ่งไหนที่ถูกใจตัวเองก็อก็ยินดีไปร ไ, ได้ไปแต่ที่จริงแล้วอยูมามานี่ดีแล้วคนไม่เคยรู้มันก็รู้แต่แต่ก่อนเเขาป่าเข้าดงมาเนี่ยเป็นคนหลงทีพเป็นคนหลง ไม่ค่อยจะรู้จักอะไรหรอกไม่ได้รจักด้จากโนดลกสวรรค์บาปบุญคุณโทษก็ไม่ค่อยรู้จักมันมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราให้มาดูตัวเองไม่แจ้ตัวเองเพราะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครจะมาทําความดีให้เราเลยเราทําคนเดียวคนเดียวไม่มีใครจะมาทําให้เราทุกข์เราทําให้เราทุกข์คนเดียวเอเราทําดี ก็อยากได้อยากยากไ ด, ด้ดีอยู่เท่าทุกคนนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้จักดีเนี่ยไม่รู้จักดีเห็นมาเป็นอันผิดผิดเป็นถูกไปก็หลายหลายอยู่เมื่ะนั้นเรามาเข้าใจมาเนี่ยมาแล้วก็มาเห็นบุญ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เห็นบาป ร, รู้จักนรกรู้จักสวรรค์เนี่ยมาเาอาบุญเอาบุญก็เป็นแล้วมามาที่นี่หลวงพ่อแต่ก่อนไม่เคยรู้จัก มาแต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยคือว่าบุญเนี่ยคือว่าได้ทานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเแต่ว่าของที่เราไม่ชอบนี่ก็เราก็ไม่ทำดีก็ได้ล้วถ้าเราไม่ไม่ไม่ชอบเราก็ไม่ทำเอเพราะว่ามันไม่รู้ในของที่ไม่ ไม่รู้นะว่ามันดีแล้วก็ไปทําออกมันก็เป็นไม่มันก็ไม่ดีอนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเนะ่ยพอมาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยรู้จักบาตรู้จักบุญรู้จักขนรู้จักโทษถึงไหนที่ดีแล้วก็อยากจะได้ไปเป็นขนเนี่ยขนอกขนใจเราอ่ยมาแล้วก็รู้จักบุญน่ะบุญนี่ไปไพ้ก็ดีไปทํามาได้ก็ถ้าเราทําบุญลงไปเนะี่ยมันสบายใจ เราเราไม่ชอบถ้าทำแล้วมันสบายใจของพี่เป็นบุญน่ะของที่ไม่เป็นบุญนั่นถึงจะชอบมันไดเราทำไปนั่นก็เราว่ามันถูกว่ามันดีแต่ว่าทำลงไปแล้วมันเดือดร้อนนอ่มันเป็นบุญเนี่ยมันไม่ค่อยมีความสุขดอกเราทำไปก็ว่ามันถูกแล้วก็มันก็เป็นอย่างอู่นั่นแหะเพราะเราไม่เห็นอาการของมัน เรามาเปิด ป, ปฏิบัตินี่ก็เ อ, อเรารู้จักแล้วมันจะพูดผิดพูดถูกเราก็รู้จักเราปลดปล่อยวอดปล่อยวางไปตั้งหลายหลายอย่างแล้ะอันอยู่ที่เรามาปทำพิธปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่เราเคยทํามาแต่ก่าแต่ก่อนสิ่งที่มันไม่ดีเราก็รู้จักแล้วรู้จักบาปเอ่หลงพ่อคิดเห็นแล้วคิดเห็นตั้งแต่เรา เป็นโยมอยู่แล้วก็มาบวชมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยะมามาทําแล้วเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาจนว่าถึงวันนี้แหละจนถึงวันตายเราอันความดีกับควมชั่วนั่นน่ะตั้งแต่ก่อนยังแม่เราไม่ได้มาอยู่ที่นี่อเอามาเปรียบเทียบกันนะ่ะความชั่นันเปรียบเทียบนั่นเอาอะไรมาใส่ไปเมื่อก่อนมัน เป็นความดีของเรานี่เอามามามามาดูแข่งกันกับสิ่งสิ่งที่ดีๆนั้นมันจะได้พอพอกรรมพอกรอบไหมตั้งแต่เรามาทำไห้จนจนถึงมันตายเนี่ยท่านเราไม่มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยครงพ่อคิดว่าอันของที่ไม่ดีนั้นน่ะเอาใส่อะไรมาใส่รถไปเท่าไรคันมันก็มันก็เต็มมันมันก็ มันมันก็ทุกไม่ไหวหลอกมันมากหลายไม่มีสิ่งที่จะไปไปแต่คนดีเนี่ยได้นิดเดียวเนี่ยพอเราเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มาแบบนี้เนี่ยเราเกิดมากเกิดขึ้นมาแล้วก็ทั้งตายทั้งเป็น น, น, น, น, นั่นแหละทักษะอัไรมันจะนั่นแหละมันจะไม่อันดีมันจะไม่ไม่มาก แต็บนี่มันไม่ดีนะมันเอาไปไม่ไหลไม่ไหวอะ่ะเพราะเรามาเนี่ยท่านเราไม่มาตึกจาในชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาทำโทษตัวเองเรามาทำตอนเราเป็นคนนี่แหละไม่มีใครจะมาทำให้เนี่ยให้พยายามทำอยากดีก็ให้รู้จักของดีอยากช่วรู้จักมันช่วอยู่อย่าไปทำอย่าไปพูดอย่าไปคิด มันดูกับเราทําเองนั่นแหละเนี่ยก็ว่าเราทําดีอยู่แต่เราไม่เห็นพอเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่แหละทำไม่เนยไม่รู้จักรูปธรรมนามธรรมอย่างเนี้ยมันไม่มันไม่รู้จักนั่นแหละเรามาศึกษาเขาแล้วจะค่อยรู้จักว่าโอ้รูปธรรมนี่ก็อเอีเราก็รู้จักรูปธรรมนี่คือทําการทํางานทําความดีนะ่ะ นามธรรมก็ชีวิตจิตใจของเรามันคิดลร่ไปเน็ตเราก็รู้จักมันคิดดีเราก็รู้จักเราก็เราก็ปลดปล่อยวางโดยถึงในที่ไม่ดีิ่งเราก็เรียกเอาแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไหนดีเราก็ทําไปทําไปเราก็สบายอกสบายใจเนี่ยอันได้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้จักรู้จักสิ่งที่มีพิษสิ่งที่ไม่มีพิษ เรามาทำอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเห็นเลี่เราก็จะพยายามทำแต่คุณงามความดีของเราไปเรื่อยๆไปที่แต่สิ่งในที่ไม่ดีเราเราจะไม่ทำเลย น, นั่นแหละพอเรามาเห็นนี่เรามาตัดกรรมตัดเวรตัวเองเลยหลวงพ่อว่าแต่สิ่งในที่มันไม่ดีเนี่ยจะไม่ทำจะไม่พูดสิ่งในที่ดีเนี่ยมันจะอดซาทาจะรู้จักรู้จักแล้วก็ ทำเรามันสบายใจเห็นนะโอ้อันนี้มันเป็นบุญเน่เนี่ยวนะเนี่ยอย่างที่เรามาอยู่ที่เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยนี่ละเมียงสวรรค์ไม่ไม่อยู่ที่ไหนเลอยู่ที่กับวัดป่าทุกกตัวเลวเนี่ยไม่ได้ยินคนมาชะมาตีมาค่ากันอยู่นี่เลยไ ม, ม่คนมาด่ามาว่ากันอยู่นี่อ่แน่วไปหลวงปู่ไม่เคยเห็นหลวงปู่ด่าพระด่าเด่นเลย หลวงพ่อแก่นเราเนี่ยดีมากที่สุดพระองค์หนึ่งมาอยู่มาบวดจุดนี้แหละมาทำไฟไหม้กุดหลังหนึ่งจนหมดทุกขิ้นเลยอเคไม่ไม่ไมไมคิดไม่เห็นหลวงพ่อด่าสักคำเดียวเลยโอ้มันหมดแล้วก็มันมันไหม้แล้วก็ทำเอาไม่ก็ได้ไม่ต้องเสียใจหลวงพ่อเราพูดแบบนั้นเลย โอ้มีตัว น, นี่แหละพวกพระของพ่อนี่เห็นองเดียวนี่เ น, นี่ยพระของหลวงพ่อเราเนี่ยไปไซไม่ได้เห็นท่านพูดเรียงนั้นเรียงนี้เลยเลียงคนมั้นดีคนนี้ไม่ดีไม่เห็นท่านมาพูดเลยคนใครทําตัวเท่าไรท่านก็ไม่ว่าเรามีแต่เอาความดีสู้ไปตะพุตธพื้ไปเนี่ยเนี่ยเรามาอยู่นี่ก็กินของทิพย์ เป็นเทวดาทั้งหมดนั่นแหละพวกเราอ่ะเดี๋ยวนี้ถึงเวลาแล้วก็จะไปถ่ายไปอะไรก็ไม่ลำบากอะไรเลยถึงเวลากินก็ได้จานแล้วก็ไปตักเอาเข้ามากินกินแล้วก็อิ่มสบายสบายใจพอถึงเวลากินเวลานอนก็สบาย เนี่ยมันมันมันหามีอย่งดั่งนี้แหะเห็นมีนี่แหละพอไปไหนก็ไม่เหมือนอยู่ที่นี่เออแล้วก็ต่างคนก็ต่างเอาใจใส่ประพฤติปฏิบัติรูจากการรูจากเวลาไม่ได้บอกสอนอยากไปที่อื่นหนูพ่อเคยไปอะ่ะมันต้องไปเฝ้าเอาไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่นั่นแหละถ้าเห็น ผู้ช่วยครูมาตอนนี้หนีไปแล้วก็พวกอยู่นี่ก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่ตั้งใจอยู่พวกเหมือนพวกเราเขาก็พอเห็นครูบาญาณห น, นีไปบ้างก็พากกันนั่งพักกันนอนคุยกันไปที่นั่นที่นี่ที่อื่นนะนี่ดีมากเลยพอเห็นอย่างนี้อ่ะ พออกพอใจดี อ, อกดีใจกูบายจานเห็นลูกน้องเดินจงกรมก็ไม่ได้ไปบอกยากบอกแค่เดียวก็ถ้าวันยังค่ำเนี่ยก็เดินอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไปคข้ไปคุมกันรู้จักว่าโอ้สบายมากแล้วก็ไปถามใครก็รู้จักเข้าเข้าใจ แล้วก็ดีอกดีใจพาาเพราะครูบาอาจารย์ก็ดีคุยกันบอกว่าไปทางอื่นมันไม่เหมือนที่นี่นะเนี่ยอยู่นี้เนี่ยดีมากเนี่ยใครมาก็ดีที่สุดมาเนี่ยได้บุญทุกคนรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักทุกจากยากอันไหนถึงที่ดีไปเราเขาไม่ม ท, ทําสิ่งที่พยายามทำสิ่งที่ดีๆทำนั่นแหะพอไปไหนก็มีคนถามขา่าวก็ไป อยากไปก็ไปไปนูนแะอยากไปขึ้นสวรรค์นะหลวงพ่อบอกเลยมาจุดนี้แหละกินของเทียพวกเรานะมีแต่ของเทียทั้งหมดเลยทั้งมันได้กินไหมนี่ไม่มีไม่ออดไม่อยากถึงเวลารอได้กินไปถึงวัานอนได้นอนนอนก็ได้นอนเ ว, เวลาตื่นก็ต้องตื่นถึงเวลาก็มีเท่านี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเอาใจใส่ให้ดีเพราะเกิดมาเนี่ย เราต้องทําคุณงามพวามดีไม่มีใครทำได้ดอกอยากอยากมีเป็นเตจทีมั่งมีเงินทองก็ต้องทำให้มันปิดพ่นเป็นเนี่ยเรามานี่ด้วยจากความที่พาให้เรากีบหายนั่นก็ก็ให้ดูเอาความกีบหายนะั่นแ่ะให้เรามาเดินดูกลมเนี่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเลยเนี่ยคนขี้เกียจขี้ข้านความวาเงาเหานอน ความเหนื่ยความเจ็บความปวดตอระพัดตั้งแต่มาเกิดขึ้นมาเราเห็นเห็นแล้วก็อันนั้นลต์เป็นโทษของเรามันทําให้เราเอจีบหายทําให้โลกไม่พอปากพอท้องทําอะไรมันก็ไม่เหมือนเอคนทําดีคนมีบุญคนมีคุณเนี่ยทําอะไรมันก็ดีคนที่ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญมันก็ไม่รู้จัม ก, ม, กมันก็ทําไปอย่างที่ตามใจมันชอบเนี่ย เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราก็เนีย่ยยาช่วยเกียรติคานมันโยบ ก, การกระทําของเราอย่างเดียวที่มาอยู่ที่นี่อือันใดถึงที่ไม่ดีก็เพราะปล่อยปะละวางไปนั่นนะมันจะเป็นยามันมาเป็นสมบัติของเราอถึงที่ไม่ดีก็ปล่อยถึงถึงที่ดีเราก็อ่าเอาให้ใครเขาก็อยากได้ไม่ต้องไป อ่าอาศัยเอาอยาเอาใจไปใส่ไว้กับคนนั้นคนนี้คิดไปคนนั้นเขาจะมาช่วยติ่งคนนี้จะมาช่วยคนนั้นจะมาช่วยอย่าไปคิดเอออย่าไปปาธนาอ้อนวอนเอาอดติ่งที่มันถูกอกถูกใจเราหน่ะคิดว่าอันนั้นจะมาช่วยอันนี้จะมาช่วยเนี่ยนี่ล่ะอย่าอย่าไปอย่าไปเอาติ่งที่ไม่ดีอ่ะ เราได้ถึงใจดีๆนะเพาะว่าที่กิดไว้ใจของเราเนี่ยไปไหนเมือไหรมาก็ให้รู้จักกาลเทศะทางคาพูดอะไรก็ให้มันให้มันดีให้ขึ้นออกขึ้นใจอันไหนที่ไม่ดีมันก็มันก็ร้อน อ, อกร้อนใจมันไม่ดีก็ฝ่าทิ้งซะมันอยู่กับของดีของดีก็นั่นแหละ ดูหน้ากันก็ยิ้มแย้ยมแจม่มใสต่อกันเดินจากกันไม่พูดหากันแค่ยิ้มใส่กันตะพื้นะพื้ไปมันทำให้ใจเบิกบานอยู่ตลอดอย่างนี้มันก็ดีมากที่สุดเลยเนี่ยแหะหายากอันทิงนี้อย่างที่เราทำอยู่นี่หายากที่สุดเลยอันนี้ให้คิดดูดีๆพวกที่เราทำทาดีได้ดีทำชัว่วได้ชั่ว อใครทําดีก็เป็นต้นบัติของคนผู้นั้นทําทุกก็เป็นทำไม่ดีก็เป็นต้นบัติของคนที่ทําให้ดีไม่ใครจะไม่มีทําให้เราทําได้เพราะฉะนั้นดูวยจาของดีอยู่กับเราแล้ววิธีแก้ตัวเองเนี่ยอย่าไปเถไปแก้คนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นเขาแต่เขาดีก็เรื่องของเขาเขาชั่วกับเรื่องของเขาเออให้พยายามทําคุณงามความดีของตัว มาแก้ตัวเองเขาทําผิดก็ช่างเขาว่าแก้เรานั้นน่ะถึ่งในมันดีมันมันไม่ดีก็ให้รู้จักรู้จักแล้วรู้จักปล่อยปละละวางไปติ่งที่ไม่ดีเนี่ยไอ้ดีก็ดีเสื้อขาวเท่านั้นแหละถ้ามันไม่ดีก็ปล่อยมันไปถ้ามันดีก็ค่อยๆทามันไปอยู่งี้แหละไม่มีใครมาทําให้หรอกเราทําเองทำใครทํามัน มันเป็นอยู่อย่างนี้เกิดมาแล้วก็อยากได้ดีเพราะว่าเราเกิดมานี่นะมันเกิดมาดีมันก็ต้องเป็นของของดีเกิดมาไม่ดีมันก็เป็นของไม่ดีเนี่ยเราตาเกิดมาเนี่ยมาหานะมาหาอยู่ตอนเป็นคนนี่ละถ้าเราเป็นคนมาเนี่ยคนได้ทําต้องได้แน่นอนถ้าคนได้ไม่ทํา มันก็ได้ของไม่ดีไปเนี่ยให้ดูเอาดูเอาวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรบ้างเนีย พ, พยายามทําไปเนี่เป็นสมบัติของเราแท้แท้แท้แท้คือการกระทําเนี่ยอย่าจะไปเอาทําของของไม่ดีนะ่ะเราอย่าไปทําเอาอยู่นี่ลนะบนบกเบือนเวียนว่าวตายเกิดอยู่เนี่ยอันนี้ที่เราทําอยู่นี้เนี่ยมันเอาไปได้ด้วยเนี่ย เราทำน้อยก็ได้น้อยเราทํามากก็ได้มากไม่มีใครมาทำให้เราดรอกเราทําเองนั่นแหละให้ให้เราพยายามทํำเรื่อยๆเรื่อยๆไปไม่อื่นไม่มีคนไหนมาทําช่วยเราเราทําเองทําแล้วก็ปล่อยวางไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะการประพฤติปฏิบัตินี่เราต้องทําให้ลูกให้เข้าใจ ทิงใดที่ดีถึงดีไม่ดีเราให้ให้เราเห็นมันไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันเป็นการวัตถุหรืออาการของของเรานะี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยแหละการกระทามีทั้งรูปทำมาทำนามมาทำทั้งสองอย่างทำให้ทกุทกข์ทุกข์่เนี่ย้ให้เราพยายามดูให้มันดีเป็นต้มบัตรของเราอยู่เนี่ยไม่มีใครมาทำช่วยให้เรา ถ้าทำดีก็ไปสูส่ถูกติถ้าทำไม่ดีก็เป็นนรกนีมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีใครมาทำช่วยเรานนแหะให้ให้เราเข้าใจให้ดูเอาถ้าเราดีมันก็ต้องดีถ้าเราชัว่วก็ต้องชัว่วมันก็เป็นอยู่ที่น่ะวกวนยันวัยตายเกิดอยู่นี่แหละ แต่ทําดีเนี่ยอย่างเราทําเนี่ยใครก็ตายเหียดเป็นหมดทุกคนนั่นแหละอย่าไปตายความยานเนี่ยอความความความมันตายเนี่ยความตายเนี่ ย, ย, ยอย่าไปกลัวมันเออจะทําทการทํางานทําคุณงามความดีเนี่ยพยายามให้มันใจนี่ย น, นะมันเบิกบานให้มันสว่างไสวในกิจใจของเราเนี่ยอย่ามีโกรธมีโลภมีโกรธมีหลวงเออให้ดูใจของเรา ให้มันเป็นที่พึ่งของตัวเองนั่นแหละถ้าเราดีคนอื่นเขาก็ว่าดีถ้าเราไม่ดีคนอื่นเขาเขาก็ว่าไม่ดีออนั่นแหละเดี๋ยวมันก็เราทำได้มากมันก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยแต่ทําทำมาอยู่เนี่ยนะแต่ว่าทางปณิพานนี่แหละทางปณิพานไม่อยู่อื่นไกลเอแต่ว่าถุแร้วจะใครจะทำ ทำถูกหรือทำผิดท่านผี่ก็ไปนรกถ้าทำถูกก็ไปนิพพานแล้วถ้าเราทำไปทำไปเนี่ยเราถึงเวลาตายไปเนี่ยแต่ว่าเรามีการมีมียังมีกิเลสหนักหกหนาอยู่มบ่ก็ต้องไปตายไปก็ต้องไปนรกเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกใช้กรรมใช้เวรอีก ก็อันสิ่งที่ดีๆของที่เรามันดีอยู่นี่เนี่ยมันไม่ตายเอียมันเมื่อเร า, าเราล้มลหายตายจากไปแล้วสิ่งที่เราทําดีๆไว้เนี่ยถ้าเราจะไปนิพพานมื่อกไปก็ ไ, ได้เพราะว่ามันทํามันไม่ถึงก็มีเลยครึ่งหนึ่งความโกรธความหลงของเราเนี่ยเราก็เอาแบ่งแยกออกไปแล้วถึงที่เราทํามาแล้ว มันก็มาอยู่ในเนื้อในตัวของเราอยู่ในคีมิตจิตเจของเราแล้วแต่ว่าพอเราตายไปนี่ก็อันสิ่งที่ดีเนี่ยก็จะเลื่ยนลอยอยู่ถ้าคอยคอยเราอยู่นี่แหละไปอยู่ตามลมตามอากาศอยู่นี่แหละไม่หนีไปไหนตอนเรามาอีกบวชกรรมเวแวนมาเข้าอีกก็ตัว น, นี้แหละจะพาเราไปนั่นแหละมันมีกิเลสมื่อต้องกลับมากลับมาไมาไม่ม า, ม า, ม า, มาคืนมา แค่รำไท่เวนอันนี้เสร็จแล้วก็มาเกิดเป็นคนแล้วก็ถ่งที่ดีนี่แหละจะค้าตุนอุดุงให้เราไปอยู่ในคุณงามความดีได้รับไม่ได้ไม่ไม่ไมไมไมไมยากเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปนิพพานอีกมันก็เพิ่มไปอีกสิ่งที่ดีๆมันก็เพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มไปอีกแล้วมันก็ดีขึ้นไปสูงขึ้นเร้ไปแต่ยังไม่ได้เป็นนิพพานมันก็ต้องไป จังเนี้ยมันก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปลนะ่ะเอาจนถึงเรื่อยไปถึงนิพพานเนี่ยแหละค่อยึขึ้นสูงไปเรื่อยไปเรื่อยไปอันนี้ทิ้งไม่เป็นหมดไม่เป็นแต่ว่าตัวกรรมนั่นนะ่ะส่วนกรรมนั่นก็มันทํามาดีแล้วก็ค่อยเลี่ยงไปอเอ้เขาค่อยสร้างไปสร้างไปพันยามทําความดีเรื่อยๆไปเนี่ยมันก็ค่อยเบาบางออกไปเรื่อยๆไปมันก็น้อยออกน้อยออก มื่ก็อสูงเรื่ขึ้นไปดีเอาไปเมื่อก็อนมันเนี่ยุดบ ท, บทกรรมหมดไปแล้วก็ไปถึงนิพพานอันเนี้ยทําไปได้อยู่ไม่ไม่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ไมีมมๆๆๆๆๆถ้าเราทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วเอี่ยมันก็เบาบางออกนอกไปแล้วก็สิ่งที่มันเหลือลอยอยู่เมื่อก็ค่อยๆดีขึ้นไปแต่ดีขึ้นไปนะเรื่อยๆไปนะอันสิ่งที่ทุกข์ยากเขินใจอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ย เนี่ยมันก็ค่อยหมดไปหมดไปมีแต่ของดีเกิดขึ้นมาเพิ่มได้เพิ่มได้เนี่ยมันจะมันจะเป็นอย่างนั้นนะพวกบุญเนี่ยทํมากมากเลยถึงทำดีขนาดใดไ ด, ได้กว่าตามพวกเราอ่ะอยู่ในเมืองมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่ได้มาฝึกมาปฏิบัติมาเข้าดทังเนี่ยมาเข้าอยู่ในพุทธศตาสตน า, าเนี่ยจะไม่จะไม่เป็นเหมือนพวกเราเลยก็ไปตามบุญของเขาเนี่ย เนี่ยจำพวกที่มาอยู่อยู่ในเมืองมนุษย์เต่เนี่ยพวกที่เขาเป็นเศรษฐีบ้างมีเงินทองเนี่ยมีความรู้สูงสูงก็าตามแต่การพูดจาหรือการทําเขาเอาแต่ชนะคนเอาแ ต, แต่เปรียบคนเรื่อยเรื่อยไป เ, เ, เ, เขาก็มีไม่อดไม่อยากหรอกมาเมืองมนุษย์เนี่ยนะแต่ว่า ความมีมีความโลภควบโกรธความหลงนั่นน่ะมันเอาออกยังไม่ได้มันยังคลองอยู่ถ้าขึ้นมาก็เขาก็ไปตามยถากรรมของเขาแล้วเขาเพราะเขาทําบุญทําทานเขาทํามากพวกที่เขาทำนั่นน่ะทําไปทําไปแล้วเขาก็ขึ้นเป็นเนี่ยเป็นเป็ เ, ป เ, ปเทวดาเป็นอินเป็นพรมไปหอดึงชั้นพรมนั่นแหละถึงแค่นั้นแหละ พอหมดกรรมบวบุญแล้วก็ได้เขาก็ให้ไล่ออกจากเมืองเมียงพรมให้ลงมาเกิดในเมียงมนุษย์เนี่ยแล้วก็เกิดเมียงมนุษย์ก็ไม่ได้ยังความโรคความกดความหลงยังมีอยู่เยอยะแยะไปก็ก็ไปเสื่อมสุกติ มันก็ไปน้อยมิ่งไปไปนี่แหละใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชัว่วเป็นเคยเป็นใหญ่เป็นโตมา ก, ก็เครียดเครียดแต่คนแดคนหนึ่งก็ไปจ้างฆ่าก็มีหรือไปทำให้เขาตกทุกไ์้ยากก็มีฐานรพกตั้งแต่จะมาทำกันไปเขาเรบเขาเป็นคนรวยได้เห็นคนจนเขาก็อยากว่าอะไรเขาก็ว่า เนี่ยพวกเราอย่าไปเป็นมาหน้าถ้าเราคนอื่นคนนั่นน่ะเขาทุกข์เขาจนหรือเขาเนี่ยมาทําการทํางานเห็นเขาักเห็นนั่นเขาว่ากว่าเขาทําไม่ดีอย่างนั้นนี้ก็ไปดูถึงนิทานเขาอยงนี้ก็มันก็จะได้บาปเนเหมือนกันแต่เขาเขาก็ทำเหมือนกันนะอแต่ว่าเขาเป็นคนดูคนมีคนรวยแล้วค่ะ เขาก็ทํำได้เขาก็ทําได้คนตกจนคนทุกคนจนก็จนทุกเป็นดั้มเปล่าออกน้ําตาตกอยู่งั่นแหละนั่นหละมันก็เป็นอยู่นั่นแหละให้พยายามทําทําน้อยก็ได้น้อยทํามากก็ได้มากทําดีเพราะฉะนั้นเราค่อยๆทําไปเยค่อยๆไป มันอยู่กับการกระทําของเราทั้งหมดนั่นแหละกรรมนี่ไปถ้ามันทําดีก็ดีดีๆทําชั่วก็ได้ชัว่วเอทําเห็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอย่าไปได้ไปฏิสีต์อย่าไปดูถูกนินทาเข า, เ, าเรามีเงินมีทองมีเขามีของได้อยู่ได้กินอย่างนี้ก็อค่อยเขาไม่มีขเขาบั้มีเงินมีทองเขาทุกข์เขาจนก็พอเลี้ยงเขาก็ค่อยเลี้ยงไปก็ ถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราอย่างนี้เนี่ยถ้าเราดูตัวตรงฐานเขาเห็นเขาทุกข์เขาจนอย่างนี้เราก็เห็นเขาเราใช้เขาเวลาใดก็ได้ทําการทํางานให้เราได้มีอะไรเราก็ไม่เสียดายเราก็เอาให้เขาไปกินไปแล้วก็ได้บุญเนี่ยถ้าเรามันอย่างเขาที่เป็นอยู่ชั้นทุกวันนี้นะนะ คนรวยอ่ะคนรวยเนี่ยหรือพวกที่เป็นคนที่จองหองปองพจนี่แล้วแต่แหละอย่างที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่างที่เขาเป็นอยู่อยู่กันเดี๋ยวนี้อของใครของมันนะเนี่ยใครทําอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนกันจองร่างล่างจองผ่านกันนั่นแหละเขาทําเขาชนะเราตอนปีนี้ ชาเนี่ยชาต่อไปเราเราก็ชนะเขาเปลี่ยนกันชนะกันมันจะเป็นอยู่นั้นแนะกรรมนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสอนเราบอกม่นเดี๋ยวอะไรเราจะไปถือชาไปดูบินประมาทกันเนี่ยพอมันเป็นมันแล้วก็ขอเอาหสิให้อภัยกันเรื่อยๆไปถ้ามันผิดไปก็ค่อยทำไปไม่ค่อยดีไปเนี่ยมัน ถ้าคนไหนก็ทำด้มันก็ค่อยดีไปอ่ะ อ, อะไรน้อไปทำนี้ก็เอาละพ อ, อยุติแต่เพียงเท่านี้ก็ให้พวกคุณเจ้าตลดอดตั้งญาติโยมทุกทุกคนจงตั้งคุณงามความดีทำให้เกิดเบียนมาเป็นคนให้ญาติให้เกิดมาเทียรศาสตร์เกิดให้มันดีเรื่อยๆไปสงสารคน นั่นแหละขอให้ทุกๆ ก, การค น, คนทุกคนจงปตะวบพบผลงานความดีในเวลาใกล้นี้ในเรื่องนี้ทุกๆันนี้เธอเธอ